เธออาจจะเป็นดั่งดาวบนฟ้าไกลเธออาจจะเป็นนางฟ้าของใครใครเธออาจจะมีอะไรไม่เหมือนใครเป็นเจ้ายิงที่งดงามจนจับใจ แต่รู้ไหมคนหนึ่งเฝ้ารอเธออยู่ไม่ได้เลิกไม่ได้รู้เกินกว่าใครไม่ได้ขอร้องให้เธอเป็นเหมือนดาวหรือสิ่งใดแค่เป็นเธอที่เป็นเธอก็พอแล้ว ไม่ต้องเป็นนางฟ้าเพราะฉันเอื้อมไม่ถึงไม่ต้องเป็นเจ้าหญิงเพราะฉันไม่ใช่เจ้าชายไม่ต้องเป็นความฝันเพราะเธอมีอยู่จริงให้เธอเป็นผู้หญิงทั้งฉันคนเดียว ไม่คนหนึ่งเฝ้ารอ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 นคนเดียวให้เธอเป็นผู้หญิงของฉันตลอดไป